ข้องยิ้นฝ่าตะนาหนาวเบยเบิกบูลภาหุนเด้อ น, นับแต่องคระษาตาดาปรินิพาลาไทยพระได้ว่างค่ำสอนไหวต่างองค์พุทธบาทมโนนาไทยท่วงฟันฝ้ายหลังเงี่ยเมื่อฟางฟางฝ่าฝืนซอว่าตาเมื่อเมื่อซูนสองค่อยข่วงฝ่าห่มมนาค่อยหันิน่งคํำให้คิดหําเง้เมื่อจรจวนสีแจงพระองค์ได้หก่ํา งามนี่หากเหมือนงามพระอัสสรูดใดอยู่แต่หมโพสีร้องคันหรอยเจ็ดสิบเจ็ดปีผ่านมากดนแล้วสวนว่าข้ามซ้อนนัน่นพายรุ่นหากยั่งยูยั่งพบเป็นประทีปไต่งามสลางแต่หูเห็นไอ้หนองเอ้ย ฮวนฮวนฝ่าห่องหำละง่มฝนฝ่ายโย่เพียงหลวงควนกุ้งดาวึกสาเสี่ยวแสนกอกลางผีเลดูเปิดผอมแห้งทวนเทินแถวมหาเมฆเข่าขนงเน่งบังบทสุริยาอียงคำแหล่งลงใหม่จันโทษไซสแสนขึ้นวันเพ่นทิพหาคำวิสาขาประเสริฐลำเวนเทีย น, นนองนบถัุ้นหายนองเอ้ย บายดีพอแม่ไอ๋นองที่หักแผงสู่หู่สู่คุณถอยคำจำนวนก่อนที่สะท้อนออกมาเป็นลูกปั้นนคดีและกอนการของอีสานบานเห่าวกันง่ายฟังกันสบายสบายบางหนึ่งหากแมนถอยคำจำนวนก่อนที่ผู้ข่าสะท้อนสะพานออกมาจากควาหมหูซึกนึกอเข็ดไม่สำนึกแห่งจิตใจ ที่มีความหักแพง้งแนบแห่มสัทธามันคงในพระศาสนาเมื่อหนีโอ้อยอ่ย อ, อนซ่อนเรยอ่อนใจเรศมีความปราบเปึ่งปีติปลาโมดอนุโมทนาสาธุการกับพอ่อแม่ไอ้หนองที่หักแพง้งทั้งหลาย จากต่างบ้านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดที่แด้หวมกันมากเมื่อนีมาร่วมกันในอารามป่าอันรมณ์เริงสมเย็นในเมื่อหวมกันบวชในขมจารีในธ ร, รมจารีนี่ถือสมทานศิลอดบอกินเข่ามีสิบสี่ชั่วโมงเพื่อบูชาพระศาปฐดาในวันวิสาขามือนี้ โอ้ยจิตใจประเสริฐแถน่นานองพอมีอายนองที่หักแห้งเมื่อนี่เป็นหมือนที่เขอาตั้งหลายควรเป็นมาทำพุม่มเข่าใจขืดหอดขึดถึงพระพุทธเจ้าของเขา่าไหลล้ายเป็นลอยเทือพันเทือหมื่นเทือแฟนเทือพายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ จนบ่มีเวลาสิได้อยู่ได้กินได้รับได้นอนยกเวลาแห่งชีวิตจิตใจบูชาประสาปดาสุดชีวิตเพื่อถวายมหาขุนเจ้าสุดเสียนเหนือเกเ่พ่อได้เป็นประเทศแตงต่างสลังในหงเห็นมือนี เป็นทีหูจักกันดีของเฮาทั้งหลายโดยทัวไปสู่หูสุขนความเป็นวันวิสาขาบูชาวันเพ่นเดือนหกชาหุดทวนหลกแสดงอาการเข้าหลบนบไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีศรัทธาอย่างสูงทรงพระอรยะเจา้า่า กัลลัยาพุทุชนผวังความเจริญพงเพื่องผูกหักผู้บูช า, านนสักพนาในเมืองเจียงซีบอไดรับเด่นอดมีการเข้าหลบบูชาด้วยการปฏิบัติตา่างส่วนมากแล้วบาวาสิเป็นชาวิผุดฝ่ายเทลวาดหรือฝ่ายมหายาท่านได้กระาม มันเองถือว่าเป็นพิธีใหญ่สำคัญที่สุดไม่พุทธศาสนาเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญอย่างเอื้อบุญกับพินบุญเผวะบุญทรงกงทรงการบุญเดินหกบุญบังไฝโมูนันเป็นบุญจิบจ่อยบุญเหล็กบุญนอยเกิดมาทีหลังส่วนบุญใหญ่ที่สุดนั่นกับเครื่อง บุญวิสาขาอันเป็นมือเกิดของพระพุทธเจา้าเมืองตัศลูและกัเมืองปรินิพานสร้างเป็นการที่ตรงกันคือกันคือกันทั้งเวลาที่เกิดขึ้นมากั้งกายและก็เวลาที่ตัสรูคือการเกิดทั้งใจและกัการที่จากโลกไปล่มให้ตายจากของพระพุทธเจา้าตลอดเวลาแห่งอายุ แปดสิบปีของพระศาบตดาเพิ่นได้อุบัติเกิดมาในโลกเมื่อสองพันหกรอยสิบสองปีผ่านมานั่นค้นธรรมดาผู้หนึ่งเกิดมาเป็นโลกประสัตคัตเตียราชในเวลาวันเท่นเดือนหกที่ประเทศอินเดียตอนเหนือที่เขาเอิ่นว่าช่มพูทวีปภูมิทีเพิ่นเกิดมา ในวันเพ่นเดือนหกแต่ว่าเป็นย่ามกองเว้นตอนเที่ยงเมื่อเกิดมาแล้วอายุได้เศ้าเก่าปีอดุดบร่นทนบวายเห็นความถุกอันเกิดจากไพ่แห่งชีวิตไพ่ของวัตะสงสารความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความผัดผ่าความแตกสลาย โดยมีความเกิดว่าอุ้เยเฮ้าเกิดมาแล้วมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเฮ้ามีเวิตทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้าก็ยังบกหุ่จักว่าสืเพียนสืพ่ อ, อยังสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเอามาเ ก, กอดไไหวนวนเกาะ ด, ดูนี่ ว่าเป็นของเฮาขี่แท้แล้วเฮากระเสดาหล่ำหายตายจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้บ่าว่าเป็นหลกเป็นเมียเป็นทรัพสมบัติเขาของเงินทองก็สิจากเข้าไปซื้อกันต่างฝ่ายต่างกับบ่อเทียงบ่าว่าเพิ่นก็คือโตโตกรคือเพิ่นจังได้ขี้จังเสงมาหลงไหลมั่วเมาจังซิเนื่องจากว่าบาละมีสมังข้างไกลมาแฝงหยอด ได้เคยก่อสางกุศนดังตั้งแต่เดิมก็เลยเบ่เบื่บอบ่อนายที่จิตสางคุนงามความดีในที่สุดพระองค์ก็เลยใดชสละลาจสมบัติออกบวชคนหาสัจธรรมปฏิบัติตนอยู่ในป่านในดงหกปีเอาชีวิตไปแหลกเอาเกือบตายอายุใดหอดสามสิบหาปีวันเพ่นเดือนหกคือจังวันนี้ ได้เวียนมาบรรจบครบถึงในคืนวันเพ่งข อ, อนสิเจนจวนสะหุงเสริงสางว่านั้นพระองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธทิญาณหู้จักความจริงของชีวิตความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกหนีความหลับของสิ่งทั้งหลายได้ถูกเปิดเผยออกมาเพิ่นว่าว่าเพิ่นเป็นไก่ห่ายไงโตตําอิด ท, ที่ได้จ๊อ กระป่อไข่ออกมาสูโลภพายนอกเอตัสโลเห็นแก่งหูจิงแดเอินให้ลูก ป, ปุ๊กให้เตือนสาวประกาศบอกทีบอกนองเคื่อนผูห่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายหลังจากนั้นสี่สิบห้าปีทินหูเรืองเมืองกันดานบานนึกลับบานเล็กห่งหน่อยบานใหญ่เมืองโตพระองค์เด่ด ตอคนดันดนลไยไปเถิไปบอกที่แจงทะแล้งไขทางไปสู่มหานิพพานความบ่หล่อมวายบ่าตายบาจากนั่นจากพระพุมมหาราชชว่างพ้องกระสัตราธิราชเจ้าภูยิงไงโล่งไปจนถึงกระทอมคนทุกคนนยากตูกตองไปจนถึงบานสร้างหมอสร้างฟื้มสร้างหู้ ไปจนไปหอดตระกูลข้นเทขี่เหยื่อปวดถนนข้นขี่ถษดกุดทั้งขี่เหื่นทุกหยากห้่จนทั้งคมมบ่ยอมรับพระองค์ได้เที่ยวไปจากพระบรมมหาราชวังถึงข้นขี่เหื่นบุุกหยากห้่ด้เรับคำสังซ้อนเปิดแปวปองไขปองถังให้เห็นห่วบนจริงกะเลยผลไปจากความทุกอมตะธรรมของพระองค์ บอ่อใดผูขวัญหมันแกนแหวกับผูใดผูหนึ่งในคณะเดียวกันสถานภาพทรางสังคมประเทศอินเดียช่วงผู้ถวิบได้แบ่งคนเป็นสีจำพวกนี่กษัตริย์พามแพรสูตรโดยถือว่าพระพมเป็นผูสางผูสันพวกกษัตริย์นักรบผูปกครองบาทเมืองทั้งหลายเกิดมาจากปากของพม ส่วนพวกพามนั้นเกิดมาจากปากของพมเมนพามส่วนพวกกริย์นั้นเกิดมาจากมือของพมส่วนพวกแพทยคนห่างคนมีเศรษฐีพอขาตลอดทั้งน่ายช่างเทคนิคต่างๆนั่น เกิดมาจากท้องของพ่อมจังบอ่อึดอู่อึดกินค้นถูกยากห่ปูเห็ดไห้ใสหน้าลังสู่ฝาหน้าสู่ดินกรรมกรแบกห้ามอาบเหงื่อต่างหนามทางานแหลกอยู่แหลกกินนั่นถือว่าเกิดมาจากตีนของพ่อมสถานภาพของสังคมจึงเถิกแบ่ง แ, แยกอยยางเหลีเลี่ยงไว้แล้วก็สิห่วมกันบ่อยเลย ในการเป็นอยม่อ้อี่นองที่หักแพลเมื่อพระศาสดาได้เกิดมาพระพุทธองค์ได้ทรงยกหละห้ำซ้อนโูขาดซักดิน่าแบ่งสรรวัฒนะมุ น, น, นีโดยให้คติวานาสจาวโสโลโหตินาจจะโหติภามโนนาสจาวโสโลโหตินาจจะโห ต, ติกรรมโน สี่ตำสาเลวสามสีประเสริฐสูงทรงยูที่ศาสตกําเนิดเกิดมาเป็นพ่ามเป็นพ่อมกหาบได้ประเสริฐสูงทรงตำสาเลวสามยูที่การเหตุการกระทําการประพฤตปฏิบัติตนเองพ่อจังสังในคณะเดียวกันสังคมที่พวกพ่ามแต่แบ่งสันวันณวาพวกเขาเกิดมา จากปากของพมแล้วจึงเป็นวัณะที่สูงสรงพวกกษัตริย์เกิดมาจากพระหัตถ์ของพมพอข่าว่านิดคนหางมีดใหญ่เกิดมาจากของของพมคนหย่าคนจนเกิดมาจากตีนของพมในก้มหน้าก้มตาลับกําไปเด้อโดยเฉพาะคนหย่าคนจนสิไปแอบฟังเพลินกําลังทองมลเฮียนภาเวกนั่นการศึกษาได้ผูกขาดเฉพาะภาพกับกษัตริย์ ขันคน้นหยาคนจนไปแอบฟั่งขันจับได้สองต้มขี่กลัวแล้วแล้วแล้วก็เทลงไปใส่หูให้มันหลวกหูซุมนี่คันผู้ใดไปแอบสวดห่องท่องบนเพื่อสิจื้อเอาคพัพีพระเวทนี่ขันได้ยินแล้วก็เอามาตัดลินให้ตายการศึกษาได้โชวปิดตายสําหรับคนหยาคนจนนอกจากนั้น คนหยาคนจนมุนิสิไปตักน้มกินห่วมสางสิไปยางท่างหวมเสร็มถนนคนทน่นนทางสิเกินไปเฮื่อหน่อดเทวะไลของพวกผ้ามูนิบะไลร่วมควบแล้วสถานภาพในสังคมของคนหยาคนจนต่ำกัวซัดเดลฉันพวกผ้าแลนเข้าไปจับมา้าจับแมวบายเล่นได้แต่ว่าผ้าผู้ใดมาเถึกเหนือตองโต ของคนตัวคนหยาถือว่าเป็นเสนียดจังไลต่องเสียเคาะสะดะหน้ามมากะดีแมวกระดายเล่นขึ้นไปบนเคร่องบดของภาพใดแต่ว่าคนหยาคนจนไปบริเขาได้ว่าง <c oughs> เงินไขทรัพย์สินสมบัติของคนในสังคมใหจังสิพวกทะนูซ้อนโหลและดาบเงาเคือง มือของหนักรบนั่นเป็นสมบัติของกษัตริย์พร้อมทั้งแหวนแหวนข้ามมณาีคมราชท่านี่เมืองเล็กเมืองหน่อยเป็นของกษัตริย์เป็นสมบัติของกษัตริย์ขัมพี่พเวทอันสูงทรงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งพิธีกรรมต่างๆเป็นสมบัติของพวกภาพคันเสวอลสมัยใหม่เกียวกันหนักงูชาตันส่วนเขา่าของเงินทอง เขาเปลือกหมาง่าควคข่ยแพะแกะเป็ดไก่เป็นสมบัติของพวกแผลพอขาว่าเน็ตผูหางมีดไ ด, ได้ไม่ข้านเกียวขั้นไยเป็นสมบัติของพวกสดเครื่องมือขอทานเป็นสมบัติของพวกจันท่าน เมื่อพระพุทธเจ้าของเฮาได้เกิดมาเพิ่์นได้บอกว่าเฮาตถาคตมอพันิพานเป็นสมบัติอของคนถูกสัน่นถูกวันณนะในสังคมบ่าวอาภูนั้นจะเป็นกษัตริย์เป็นพาดเป็นแย์เป็นพามเป็นสูตรกร็ะตามพอจังสัน่นในสังคมของพูตีเขามาอปวดในพระพุทธศาสนาะ จึงมีทั้งพวกกระย์พวกแผดพวกพามพวกสูตรค้นห่างคนมีค้นทุกค้นยากมีเบิ้ได้มารับประโยชน์จากแระธทำค้ำสั่งสอนของขันการเกิดม า, าของพระพุทธเจา้านําสซุกมหาแกหลงดังที่พระคาา่าท้าวสุขโขพุทธนั่งอุปาโทการเกิดของพระพุทธเจา้านําสุขมหาแกหลง สุขาสธรรมมเทศนาการได้ฟังพระสธรรมอันเหตุให้จิตใจสงบเยือกเย็นนั่นการเป็นเหตุให้เกิดความสุขแก่โลกนี้พอแม่อายหนองทเทหกแพงเมื่อนีเป็นมือเกิดข้างตายมือเกิดทางใจขื่อเหมือนตัดสรและกำเหมือปบิลมพานพร้อมทั้งเหมือตายจากไปของพระพุทธเจ้าของเฮา ต่างกันัแต่ว่ามันบอดายเม็นมือเดียวกันแต่ว่าเป็นวันเพ็ญเดือนหกคือกันเมื่อเกิดมาแล้ววันเพ็ญเดือนหกงามเทียงงามตัดสรูได้บรรลุถ้ำแมนวัดเพ็ญเดือนหกงามเมือ่อเสาหอดไปเกีแล้วกันงามปรินีพานตายจากห้อง ยามกางคืนเทียงคืนของวันเพ็ญเดือนหกเมื่ออายุหกแปดสิบปีเมือ่อหนีเป็นหมือวันเพ็ญเดือนหก <c oughs> ได้เวียนมากบรรจกหบห่ออีกที่หนึ่งพวกเข้าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาปลาศรัทธาเหลื่อมใสอย่างยิ่งใหญ่เดมาร่วมกันเป็นจำนวนไลยมากหนาลลยตามมาอดเขา 44ชั่วโมงบอกกินบอ่อนอนกันแล้วมาบูชาระศาสดาจังสิถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่และตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของข้าวพุทธสำหรับผู้ที่ขี่ขาดตาขาวอยากตายเที่ยงแต่แดงหินค่วมบว่าวามาอดเขา่า44ชั่วโมงนัง้นแด้หิ้นแต่ค่วมบ่เซ่าเื่อเป็นล่มแหลวก็มีอยากตาย เมื่อนีสุภเลิกได้มหามิงมุ่งคุนดาวเด่นดวงดนถึงคิมพะจันจวนไก่มือ่อหนีเป็นมุ่งคุนแผลราสีสิตรศกเป็นมือพระแกนไทถระจนแข่หมู่มา มือนีเป็นเหมอแห่งพระองค์พุธทธเจ้าพระโคดมทรงประเสริฐมาแล้วโลกเกิดนีหน่วยแก้วพิล่าเข็มหยอดคุนเทิงที่สมบูรณ์ใดบาลมีเพินเพียรพำ ม, ม่านอ้อข้าวนั้นมีมากหล่นแสนสั่นหมูม่ว่าเขาก็ฟันฟ้าหมางแข็งต่อตีนัก บ่ยอมยังท้อยทอหง่ย่งอยงหน่อยมีทอหักฐานสูงให้รีหลบต่อก็จึงหลบหลับได้เห็นแก่งหยอดท่อมซีสิผาปีจากหันเขียวแจกจายภาคมิภาคทินหูเฮืองเมืองกันดานพระเดียวไปจนเสียงจากว่างเวียงของเจา้าก็สัต้าผู้ยิ่งใหญ่ถึงหมูค่คนขี่เหือ่อนค้นไห่ขู่พ่อย นับตั้งแต่คนภูตำสอยเถิงมูเทวดาอามตะพ่าล่าเดลังไหลตัวซุ้สิ่งทั้งแดนดินเถิงฝาเทว่าหน่อยใหญ่อมตะถ้พระองส่งบอบหายให้เป็นเจ้าผู้สู่ขน รัตย์ยุติลงฝ่าภูเกิดแก่เจ็บตายได้อาศัยอุบายปัญญาหุ่นพระพุทธองค์ส่งฉีบำเพ่นบาลมีสั่ ง, งเดินนำหลังทางควนบอกก็เลยออกจากทุกใดชบ่ามา้างเต๋บ่อนตายย้ Nh อนว่ามาหากุณหาหล่นของพระองค์ได้สอนสัง่งเข้าน้อ้อวังให้เข้าพีน้องได้น้เว่นหมู่มาก บัดนน้เฮาพี่น้องซุ่มศาสตร์สาวากาวีสาขาบูชานบพระคุณเ่ยไหวขอให้ใจเสยเหลี่ยมเสมอแ้กขาวพองทุ่นเถิดไหวถ้าพ้องเขาสัวสิวังไอ่องเออ พอแม่อายน่องที่หักเพลงสุบหูสุค้นถอยคำตำหนุนกอนบางกี่หนีเดบผ่อนออกมาถึงชีวิตของพระศาสดาของห้าที่เพิ่นได้เกิดมาแล้วก็ได้ตั้งสู่ได้สัง่งสอนสปพะทัตตลอดเวลาแปดสิบปีของชีวิตชีวิตของพระ อ, องค์โผพันอยู่กับธรรมชาติบนแผ่นดินใต่หมม่มหมงเมื่อเพิ่นเกิด เมื่อนั้นงามเทียงอยู่ไต่หอมไหม่กลางพื้นแผ่นดินหลังอย่างนั้นเพิ่นได้ออกบวชเยือนในป่าอายุหนีสิบเก้าปีได้ออกบวดเวลาเพื่นได้ตัดโศกก็อยู่ไต่หอมไหม่กลางพื้นแผ่นดินหญ้ามเบมื่อมอละนั่งเหม็นตายไปหลดหัวนอนอยู่ไต่หอมไหม่ กลางผืนแผ่นดินไายน่องเอ๋ยชีวิตของประสาทตดาผูยิงใหญ่ที่เขาเด็เข้ารกกราบไหว้ส่วนหมางยุ้ยไผ่ไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินเ ม, มื่อหนีพ่อเมอไอหน่องที่หักแท่ได้จากบานจากเงื่อนผูลังคนกะหางมีดีใดมีเงินมีทองมีบ้านหลังใหญ่ใญมีรถมีลาขี่ผูลังคนกระทุกกระยหยากแห่งธรรมดาดอกว่า ได้มาหวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่พายไต่หอมใหม่กลางเผื่นแผ่นดินในอาลามนนี้เป็นการแสดงออกถึงคุณค่าของบุคคลผู้ขู่จักพระสัตรดาห้าต้องการสี่แสดงค่วมเขาลบบูชาเพิน่นนี่เมื่อเพิ่อนหยุดใต่หอมใหม่กลางเผื่นแผ่นดินตลอดเวลาสี่สิบห้าปีนั่น เข้าเสมานอนอยู่บนปร า, าสาทบนวิมานห้องแอร์ปรับอากาศกินดีอยู่ดีสันบอในเหมือเพิ่นเกิดมากเพิ่นได้ตัศโลนั่นคือจังพอเมย์ของเ้ากาลังนั่งอยู่แต่หงใหม่กลางเพื่นแผ่นดินเดียวนีถือว่าเป็นเหมือเกิดหมือตัศโลกะดีหมือตายกะดีเฮ้าถือว่าเขากำลังได้จอบได้ซ่อมบัง พ่อแม่ของห้องกำลังเป็นไข่กำลังสิตายในห่มใหม่ห้องเพิ่นเป็นพอ่อเป็นแม่ ท, ทั้งจิตใจทั้งวิญญาณกำลังหากเลือดส่งประคันที่กาผาดอยู่ใต้ห่มใหม่หังเฮาซิมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อยู่ดีกินดีในวันเกิดเพิ่นจังสิบอ่อนนอกหญ่ไม่ไงไอยนอมที่หักแท่ง เพราอจังสั่นวีสาขะบูชามุนีจึงเป็นลักษณะสเปเชียลิตีลักษณะพิเศษซุดบ่คือบออื่นในขณะเดียวกันบออื่นนั่นเพิ่นจัดงานวีสาขะบูชามีไฟแสงสีฉวบสว่างมีเงินมีท่องแม้นสิจัดกันยิ่งไงเหตุจังใดก็เหตุใดหากมีเงินมีท่อ ง, ง, น, องนอกเพียงไงมีไงนอะ นยเมื่อเสอทาทำบุญทำทานตักบาทจังหันกินกันหล่นปากเลือข้อ่อยมื่อเล้งมาเอาดอกใหม่ถูกเทียนผู พ, พันมี <c oughs> สวนดอกใหม่แต่ขายดอกใหม่เหมือนมีเงิ น, ม, งนมีทองหลไปเสื้อดอกใหม่ถูกเทียนมาเวียนเทียนเข้ารบบูชาพระสาตสดาจุดไฟหูเรื่องเลื้ยงเหลือ ง, องโอ้ยอ่อนซ่อนเพื่อนด้หนุ่มเพื่อนมีเงิ น, ม, งนมีทอง เตวาวิสาขาบูชาของเฮาเมื่อนี้เฮ็ดบอกเคื่องมือวันใดมาพากันสงบสงเงียบบ่ส่งเสียงเอะ ก, กะเลิกเฮ่หา้าบ่กินเขากินปา่าหญีสิบสี่ชั่วโมงฟังเทศ์ฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนานับว่าเป็นการกระทําที่บูชาสุดหัวสุดเอาโดยชีวิตจิตใจเมื่อนี้ ไข่ไข่กับว่าเข้ามาจอบเบื้งพอเบื้งแม่ของเขากําลังไข่โ น, น่เมื่อนี้เขากําลังมาจอบมาซ่อมเบื้งพอแม่เขากําลังเป็นไข่กาลังหากเลือดพ <c oughs> อแม่ไอ้หนองที่หักแพ่งเยสุฮาวาผู้ขานี่บอกสัปดีสั ป, ปดอนในน่อง สามปกติมีเป็นเหมืองประโสัสรรปปรินิพานปัจปรินิพานเพือสุดท้ายเรียกวาดับขันปรินิพานคือการตายพระ อ, องค์ทรงประคันธิกาผาดยางมาจากเมืองปาว่าหนาสู่กุศินาราห้นทางยี่สิบห่างข้าพุทเนีย่ยพระ อ, องค์ได้หักเลือดมาเรื่อยๆหลังจากนั้นมานอนอยู่ใต่ห่มให้ ด้เทตเว่าจ้อยจอยสั่งสอนพระธรรมวินัยก่อนทิ่จากไปแล้วจนมาหอดเวลาเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ดับพันปริญิาานหล่มหายตายไปจากห้องการจากไปมือ น, นันในเวลาเที่ยงคืนของวันเพ็นวิสาขาเดือนหกขันเปนห้าเป็นพุทธบริษัทภูมิสท้าเสือหมันเข้าหลม เพิ่นเสมอเพิ่นเป็นพอของห้าทางที่แกทางลิญญาณเมื่อนี่มะลิมเลึกว่าพอกําลังเป็นไข่ที่อย่างแห้งเฮ้าเสมามัวสนุกสนานกินอิ่มมีพี่มั่นเลี่ยงกันด้วยกาแฟโอวันตินพระสงฆ์องค์เจ้าก็กินกันหล่นปากเลือกข้อสูบยาหุวนหุ่นอยู่แล้าาวเมื่อวานมสาขาบูชาสมควรโอนอ่อแม่อายนะ้อง ที่หักเพลในเมื่อพ่อแม่ผู้บังเกิดเก่ากำลังบยัยอยู่ดีสบายเข้าข้วนติวสงบสงเ่ียมใจจดใจจ่อเฝ้าปนนิบัติหับฟังคำสัง่งร้อนคำสั่งเถื่อสุดท้ายก้อนที่เพิ่นกิจากไปพอชังสันมือหนีเห้าจึงบอกกินเขากินปลากันอดตาลับครับตานอนนัง่งสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรม พร้อมกันนั่นเห้ากันยังมีพิธีอีกอันหนึ่งที่นาประทับใจที่สุดนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีของเข้าในเมือนีนอ่น้องสองพันหกหลอยสิบสองปีที่菩萨ประาดาของเข้าได้เกิดมาในโลกอันนี้การเกิดเรนั่นเป็นสิทธะกุมมารมีสิ่งแปลกประหลาดได้เกิดมาพร้อมกัน ร่วมกันทั้งมดเอิรนว่าสหชาติเกิดมาพรมกันเข็ดแนวมีเอยียงในนอพไไ่อใหญ่ในใหญ่อายหนอ่องถือหากแพงบางคนคือสิพ่อหูจักบางคนอาจสิบกหูจักเลยผูู้ลําคนเคยบวชเทียนเขียนอ่านเป็นทิศเป็นจานกับสิพ่อหู้งนอก็กเลยขอเอามาบอกใหม่สูฟ่ฟังเพิ่นเกิดมานั่นมีสัด มีคนมีตนใหม่เกิดหวมบาลมีพร้อมกันเจตแนวเอิน้นวาสหชาติเครื่อมากันทะกะน่ายช น, นะกาลลท้ายเย่นางพิมพา่พพาพระานนและก็คุ้มพ่องทงั้งซีพร้อมกันนั่นก็นมีตนใหม่พระศรีมหาโพธิ์ ทั้งเจตอันนี้เกิดพร้อมกันเมื่อเดียวกันเวลาเดียวกันจะพิสแต่คนละสถานที่เรียกว่าเป็นครูบาลมีมากันทะกะเกิดมาให้เพิ่นไดชีออกไปบวชหน้าชั้นหนะได้เกิดมาเพื่อสิเป็นคููบาลมีซอยเพิ่นออกไปบวชอา น, นุนเกิดมาเพื่อจะได้เป็นพุทธอุปถัช์ส่วนนางพิมพ้าเกิดมาเป็นวโรชาหญาแม่ของพระหุล กาลุทธานี้อวมาภูกไก่ฉิตที่สุดขุณเคยที่สุดเกิดมาเป็นภูกรับใด่อย่างไต่สิทส่วนคุ้มท่องทั้งสี่เกิดมาเพื่อเป็นพ่อขะสมบัติเดยไดใส่จายความอุดมสมบูรณ์แห่งพระเจ้าแห้นดินนอกจากนั้นต้นไม่พระสีมหาโพ่ได้เกิดมา อีกสามสิบปีพระองค์กระเด็นไปนั่งตัดสรูอยู่ใต่ห่มใหม่สีมหาโพธิ์ตอนนั้นบัดนี้เวลานั้นได้ผ่านมาแล้วสองพันหกร้อยสามสิบสองปีนอ้วยไงไม่ไงายหน่องที่หักแพ่มากันทะ ก, กะอานนนกาลุท่าหี่พิมพ์ผ้าตลอดทั้งนายช น, นะพระสัตดาคุ้มทองทั้งสี่ ทั้งเมดนั่นบ่มีอีกแล้วได้ล่มหายตายไปโดยอํานาจแห่งความบอเทียงของสรรพสิ่งทั้งหลายแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีอยู่ที่ได้เกิดมาพร้มพอมพร้อมภาษาตดาสิ่งนั้นคือตอนใหม่ภาษีมหาโพธิอายุเยืนเงาหมันสองพันปีขามลวงตายแล้วกรหงอกเกิดมาอีกบ้านนี่เมื่อนี พวกเข้าตั้งหลายพ่อแม่อ้หน่องที่หักแพงโอ้ยจะเป็นทํำบุญสร้างปังใดจังใดห่วมกันนอจังได้มาพบพอเห็นเจาะบัดเทื่อนรุ่นในมาพ่อพร่เพียงเฮียงหนาห่วมแห่งห่วมงานหวนิดห่วมใจกันได้ปลูกต้นใหม่สีมหาโพต้นในน้อยมือนี่ที่เข้าได้ปลูก ต้นไม้ภระรีมหาโพธิ์ที่เห่าได้ห่วแห้งห่วมงานห่วติดหวมใจหลังไหล่ควมหาความแย่งความท้าได้มาปลูกห่มกันเมนื่อนี้โดยพระเดชพระคุณท่านพระคู่สาละธรรมคุณ วัดบัานฉาบน้าคู่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินพร้อมทางคณะท่า ย, ยกท่าฮิกาแต่น้ำมะโปกูกนับวาเป็นนิมิตไม้ที่ดีงามคือสิเป็นนิมิตหมา ย, ามอนนมมายบอกว่าเฮาเสดหัด ว, หวมกันสถาปนาพระพุทธศาสนาให้มันคงแน่นแฝงเป็นเอกไม่ยุ ก, กงึงหรือหยุกขอนพุทธการใม่ผู้มีปากแผ่นดินอีสานตอนบนของเขานี้ ท่านเสว่าไปแลว้วตนใหม่สีมหาโพผู้ข่าไปนางบึงอยู่ประเทศอินเดียน้ำตาไลหลหองใ ห, ห้หองให้เอียงนอพ่อหไงไม่ไงคือสิว่าสมาใจอ่อนแหนออไปเบึงตนโพเสื่อเสือกให้โอ้ยพอไงไม่ไงไอหน่องที่หักแพ้งเอ้ย ส่วนศรีมหาโพธิ์นี่ยกันเท้าหูจะข่วมเป็นมาจักหน่อยพ่ออยากหอกอยากหายเม่นบ่าหายน้าตากระไรขอบฟ้าได้ลิตรตนส่นศรีมหาโพธิ์สงสารพระพุทธเจาเ้าของค์เฮาส่นศรีมหาโพธิ์เนี่ยเด็กเกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสหชาติทั้งห เป็นตนวามากันทักะน่ายชนะนางพิมพากาลุทธายีพระอานุนตลอดจนหอดคุ้มทองทั้งสีพร้อมทั้งมหาโพธิ์บันีิสิ่งเหล่านั้นได้ล่มหายตายไปพร้อมกับค่วมบ่เทียงของสรพพสิงทั้งหลายในโลกนี้แต่วาสนพระซีมหาโพธิ์นั่นก็ได้ล่มหายตายไป ล้ายเถื่อแต่กะกลับขข้นมากจึงขอนำมาเล่าบันฟังลัวซิไดลูกได้หลานนอนในน้อยมากโูกอยู่ในวัดเฮาในขณะนี้นั่นแต่ก่อนพุ่นขอย้อนหลังไปถึงตนปีมหาโพ่ในประเทศอินเดียจักหน่อยเมื่อตอนโพ่ได้เกิดขึ้นผอมขับ พ, พุทธะเจ้าของเฮาสิทธะกุมารเมื่อสองพันหกอยสิบสองปีวะนั่น พระองค์ได้เกิดขึ้นเป็นโลกกัสสั์เกิดขึ้นไต่หอมใหม่ตอนปีกับป่านแม่วาสิเมื่อบ้านในเวลาตอนเทียงของวันเพ็ญเดือนหกคือจังวันนี้เขาก็ได้ปลูกโพตอนเทียงเพราะว่าการเกิดขึ้นของเพลินนั้นมีสิ่งที่เกิดน้ำเจ็ดอันคือตอนโพในอันหนึ่งเกิดเวลาเดียวกันหมื่นเดียวกันคือยามเทียงมื่อนี้เขาก็เลยได้ปลูกสมหมดว่า ตนพ่หน่อยตอนนี่ได้เกิดขึ้นตอนเทียงผอมก็ประสาตะดานในวันเพ็ญเดือนหกขึ้นมือนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสามสิบห้าปีพระพธิทสัตว์สิทธะราชกุมารได้ออกบวชอายุสามสิบหาปีได้มานังยึดใจเงาโพ่เงามีแล้วก็ได้ตัดสูอนุตลาสมาสมาสมโพธิญาณหลังจากนั้น มาอีกสีสิผ่าปีพระองค์กระเดยปริิพาณล่มหายตายจากไปคูบาลมีคูสมพาณ น, น่ายชันนาอามาตกาโลท่านีพระอา น, น, านุนนางพิมพาคุ้มค้องทั้งสีมากกันธะกะกระเดยล่มหายตายไปเมืดไปส่วนพ่อเพิกใบหนาอนเนกยืนตนโบกสะบัด ให้ความหมเย็นแก่ฟุงนกกาตลอดทั้งหมู่ขาะสัตว์ตัดเสือผอหมูค้นห้องทั้งเทวาทั้งหลายก็ได้อาศัยหมเง่างญ้ามอล่มลำเพยพัดมาโอ้โเตจแมนอ่อนซ่อนเสียงดังซัวตัวแต่เสียแล้วจกักแมนเคาะต่าเอียงอายุตนพ่นีนไดสองร้อยเจ็ดสิยยบสองปีตนใหญ่ใบหน้าแล้ว ในขณะนั้นเองประเทศอินเดียเกิดค่วมบุญไหว้และสำลรซสายบผ้ากันนับถือพระศาสนาแลว้วตศาสนาผุดเกลือบปิมัดไปในพศสองร่อยสองร่อยยี่สิบสี่บุนไหว้ที่สุดพระเจ้าอาศอมหาลาภเจ้าเมืองภูเองนครกรุงปาตลีบุตรแวนมคต ได้รวบรวมกำลังตีประเทศอินเดียทั้ง16ประเทศได้เป็นประเทศเดียวร่วมกันเขาแล้วพระองค์แต่นับถือศาสนาเดรธีพวกนิคนโบเดนับถือศาสนาพุทธเมื่อพระองค์ได้ร่วมประเทศอินเดียเป็นประเทศเดียวกันแล้วก็เกิดคว่วมสลหลึกในใจว่า เผ็ดจังใดเนาะคนจำนวนหลายศ า, า, าสหลายภาษาเอามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเขาจังสีอยู่แต่บังคับบัญชาฟก ป, ป่องคุมข้องเขาให้อยู่เย็นเป็นซุกย่างเขาแข็งเมืองเกิดคิดคดท่อระนยกลปฏิวัติ ด, ด้วยค่มหอค่มดาพเพื่อเฮอาพี่ก็เลยเกิดขึ้นมาใดวะเฮ <c oughs> ้าอ้วนเิมีศาสนาอันเดียวเป็นศาสนาประจําชาติในจิตในใจ เพื่อให้คนทั้งหลายมีสหกรณ์ใจมีจิตใจค่วมกันสัทธาเอิ่นว่าสหกรณ์ใจมณ ะ, ะสะหตารนั่งธรรมวิชนโยวาสันมีจิตใจสหกรณ์กันชนะกันโดยท ร, รมบดต่องชนะโดยค่มหอค่มดาวควนเตมีสาธนาเดียว พ่อความเกิดจังทสี่เกิดขึ้นความโหดร้ายท่ารุ่นของพระเจ้าอัสโซที่เขาเอื่อนว่าจันดาโศกผู้โหดไถ่ไปใสมีตะขาตะแกงนั่นพระ อ, องค์ได้ข่าเช่ากาลิลขับด้วยมือของพระ อ, องค์หนึ่งสแตนหาหมื่นคนตายในสนามหลบหลายกว่าท่านหลังจากนั้นแลวพระ อ, องค์ไดส้สถาปนาประเทศอินเดียให้เป็นประเทศเดียว แล้วก็ส้งเลือกศาสนาเอานักบวชจากศาสนาต่างๆมาเทศมาฉี่แจงทะล้งไขให้ฟังว่าศาสนาใดที่เหมาะสมแก่มนุษย์ชาติควรจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้บดตึงเกินไปบอยอนเกินไปบอกเขาขางไคบ่กออกไค ข้ากฏิวาศาสนาลติดังๆของกูลนะพะสัสสะมัคคาลิโคสารอสิตะเกสกรรมคนในคนนาทบุตรสนใจเวรทบุษพระกุฏะกัจจายณะูนั้นบอเป็นทีพ่อพระราจาหารไทยซึ่งคขัมจริงแล้วพระองค์กระด็นับถือศาสดินานิคนยุคก่อนแล้วแต่ว่ายั่งบอเป็นสากน่นยั่งบ้านเป็นอินเตอร์เนชแนนลิลิยันบอกเป็นภาษาฝรั่งนอ ที่นี่มีอยู่เหมือนหนึ่งเพื่นได้เห็นเน่นหน่อยผู้หนึ่งเขามาบินทบาทเซวันเน่นมีโคดเน่นหน่อยผู้ได้รับการอบลมบมในใสัยที่ดีงามตามคําสั่งสอนประธรรมวินัยนั้นยอมเป็นผู้จบผู้งามสีเยืองสายใหญ่ขัวสี่กมสีเงยสีโขูสี่เยียดสีเลี้ยวบืงหันเลี้ยวบืง เต็มไปด้วยอาการสรมัมลุ่มคอยไปคอยมาเลี้ยวเห็นอยู่ทั้งพักตูปองเอี่ยมเกิดท่าโอ้ยจะเป็นผู้จบผู้งามลูกผู้ใดเนอ้อหนักบวดหน่อยผู้นี้อยากพ อ, อยอยากเห็นอยากหูจักมักแกเ่เล้ก็เลยให้อมาดไปเชิญขึ้นมาแน่นหน่อยกับเราให้ฟังและกระเทศให้ฟัง ว่ากันวาเพิินเทศในเหลืองอัปปะมาถธรรมในหน่อยเทศเหลืองค่วมบบประมาณมหาบพิตรราชสมพานได้เกิดมาดลได้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินภูหยิงไงปราบดาพิเศษสิบหกแหวนเป็นเมืองหนึ่งบานเดียวนี่กัหย่อนว่าบุญหย่อนว่าบาล้หมีได้พรออมกันนั่นพระองค์กระไดสางเวนโกกำไวบรมองหน่อยขาคนตายเป็นแสนหลายแสนจังซิก พระองค์จะได้ดประมาทพญามัจจุราชนันบเห็นแกเงื่อนคำาหม็นซิมีเงื่อนกือไทยเอาบ่มีได้คววมตายเกิดได้ทุกเมื่อคุ่น ง, งามความดีบหลาบอสวยให้เจ้าขึ้นมาถอนหนทางอันประเสริฐประสาตดาได้มอบให้เป็นของสมบัติแถ่สู่คนให่กราบมาสางค้นงามความดีเลิกลืมข่วมสัวที่ได้เคนได้ขาเลือดถ่วมทับแผ่นนั่น พัเชวะกิจมาตัปังโปชนยามระนังสุเวค่วมเพียรคุณงามความดีเป็นสิ่งที่สองเหตุทำมือนี้ยาเสดพัดวันประกันผงนาฮิโนสังฆลันเตนามหฮาเซเนนามัจจุนาเข้าวะสามารถติพัดเพียกรกับพญามัจจุราชค่วมตายใดพัยสุงจักว่ามืออื่นเฮ้าสิตายอยู่กับน พระเจ้าแผ่นดินสลดใจก็เลยลบลาวตาวขึ้นมานับถือศาสนาพุทธหลังจากนับถือศาสนาพุทธแล้วมีความเข้าหอบหน่อม บ, บ, บูชาพระพุทธเจ้าได้ศึกษาประวัติความเป็นมาว่าเพิ่นเกิดยุหันเมื่อก บ, บินพัตแลก็มตัดสโลเดียวหนีสิ่งต่างๆที่เป็นสาหัสฉากทั้งหลายหมากันตกะนายช น, นะตาลุทาหนี่อานอนพิมพ้าคุ้มพ้อง ก็ได้เมดไปย่งเหลือไหวให้เห็นก็คื้นตนสีมหาโพ่ิในเลเอวที่ได้เกิดมาพร้อมกับพระองค์พระเจ้าอาสศกหลังจากเป็นผู้อุปถัมภ์ข่ำจุนในการสังฆยนนาขังที่สามแล้วมีความศรัทธาดูดเดิมในจิตในใจเที่ยวไปบานแต่เมืองเนื้อพระศกนิกรไพรฝาอานาประชาหลาดของพระองค์ทุกๆแหวนแขวนพระองค์สเสด็จไปเยี่ยมเยือน ด้วยความหักความแพง่งตั้งปณิธานว่าผู้ใดไเด้เกิดแม่แผ่นดินของขาพเจดผู้นั่นซื่อว่าเป็นลูกของขาพระเจ้าทุกคนที่ต้องขึ้นสวรรค์ตามขาพระเจ้าถูกคนพระองค์ได้สางวัตแปดหมื่นสี่พันวัดเพื่อบูชาพระธรรมพ่อวันนั้นต้นศรีมหาโพ่อเป็นบอนพระองค์เที่ยวไปเที่ยวมา ไปหอดกับไปนอนอยู่แต่หอมพ่อเคยหอดพระพุทธเจ้าเด้ภูเป็นลักไส้ของหลวกภูประทานพรานคุ้น ง, งามความดีสั่งสอนไว้พระ อ, องค์ได้ให้สร้างแกสลักหินก่อนไงเป็นหัวสิงยืนพางาดเป็นเครื่องหมายของพระ อ, องค์ว่าภูมิอำนาจอีกไงพร้พอมกันนันก็ได้จานหลึกเป็นอักษร เขียนไว้ในแผ่นหินขาพระเจา้าเป็นพระเจา้เเจาแผ่นดินภูที่เป็นสีหักของมูมนุษยและถ้วยเทพในม้าขาวมาไวาส่วนสีมาหาพ่อวันเ้วันเป็นทีทัศลุของอ ง, งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ายังเลื้อไหวแห่เห็นแนวเดียวเท่านี้จึงเขียนไว้เป็นหลักฐานผอมกันนั่นพระ อ, องค์เมื่อสเสด็จผ่านยาได้มานอนข้างขึ้นเธอละสิบหาขึ้น หลังเธอเมือสันวันดีกัหมอบอำนาจให้แกอามาตผู้ไว่างใจให้ปกครองแผ่นดินแทนนพระองค์ได้มานอนอยู่ใต้หม่มโพาบูชาทมท่วมเทียดสมาธิภาวนาเธอละเดือนกัมี่ชิบหาเมือกัมี่ลังอย่างนั้นเมียหน่อยวรชาช ญ, ญาของเนผนพุหนึ่งสืวันหน้ามหิสุนทะลิ้ ส่งหน่อยพระไทยหน่อยใจโอ้ยผัวสางไปนอนแต่นำตนพนะ่อเน้อเมียนอนอยู่อยู่นี่บ่ามานอนนั่มเกียงกอมเขียดให้ผัวหวงผัวใส่ตนพ่อนี่ลนะเนาะคันว่าอารติลรกกันหน้าศิกาความอิจฉาลิขิยาเป็นเหตุให้โลกชิบหายหวงผัวหลายสร้างหอดตนพ่ว่วานแต่ผัวไปนอนในตนพ่ เมื่อผัวเพอ้อไปแขวนอื่นก็เลยรับสั่งให้อํามัดบริวารเอาเงินจางให้เอาหลอบนําเอายาผิดแล้วก็เอาน้าห่อนไปใส่เอายาผิดไปใส่ต้นสีมหาโพธิ์ต้มน้าห่อนไปหลวกต้นพระสีมหาโพธิ์ต้นนั้นก็เลยได้ตายไปพระเจ้าอาโศกมหาลาศเห็นจังสั่งโอ้ยเสียอกเสียใจหน่อยในพระราชจะฮลืไถ่จนถึงกับสลบ ล่มเทาวดาวดิบอยู่ใต้เงาพ่อนอนเกือกกิ่งแผ่นดินโอ้ยเสียแห้งน้อได้มากราบมาไหวข้าพุทธเจ้าตายไปแล้วสหชาติทั้งทกันกตายไปเมืพ่ อ, อได้เห็นแต่ตนโพ่อยืน้นตนให้ล่มพัดใบวื้นเวอยู่พ่อได้คาบได้วัดบัดนี้ได้เมื่ลมหายตายไปพระเจ้าอาโศงนอนให้กิ่งเกือบแผ่นดิน ประกาศให้ประชาชนเอาหนามนุ่มมาหดหนามนุ่มนนคนแน่หนามน่มง่วแน่แล้วพระองค์กระไดนอนกิ่งยุค่ดินขันอธิษฐานใจนบมื่อขข้นสาธุท้อนขันสนศีมหาโพนี ย่ยงบ่ันตายขอให้ยื่นเงาหมันได้เกิดขึ้นมาอีกคืนมาในท้อนเป็นเครื่องหมายขันเป็นสาสนาของพระสัตตดาสมนาโคโดมสีย่งคองอยู่ในโลกเป็นที่เพื่อผ้าอาศัยของหมูสัตว์นั่นขอให้ตนสีมหาโพธิ์ได้หมกขึ้นมาอธิษฐานใจอย่างหยิ่งใหญ่ของพระ อ, องค์แล้ก็นอนกิ่งเกือกอยู่หันแลยต่อจากหันมาเอกบ่อนเระมานได้เจ็บมือ ต้นพ่เนิ้ยน้อยก็แตกตุ่มออกมางอกเป็นโพ่อหน่อยมาโห้ยพระองค์ดีใจหลายม่อมหมอบกายถวายชีวิตเพื่อบูชา ต, ตนพระสีมหาพ่อต่อมาบกกิเมื่อเลยออกหน่อนหน่อยเกิดขึ้นมาคือเก่าย่างหนาอัศจรรย์พระเจ้าอาศมหาหลาส่งโสมนัดดีใจหลายรับสั่งให้เห็ดกัมแพ่งอ่อน อย่างแข็งแรงเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอันตรายบ่ให้ผู้ใดไปโขลนไปฟันไปต้มน้ำหอนใส่ปีนั้นสนสิมหาโภมีอายุยืนยาวสองร่อยเจ็ดสิบสองปีเดดตายไปพอหนำมือของนางมหิสุนทรีเมื่อเกิดมาแล้วพระเจ้าอาโศมหาลาบปฏิบัติํารุงรักษาเป็นอย่างดีส่งฮดเหงาใหม่ด้วยหนานม งอกง้ามเกินมาใหม่เป็นระยะที่สองหลังจากแน่นค่วมบะเทียงแ่ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระเจ้าอาโศกมหาลาพรมทั้งพระสกในกรห่วมตาห่วมเวลาห่วมบานห่วมเมืองก็ได้ล่มหายตายไปจากเมื่อนั่นจนหอดอีพ่อซอหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามเกียกว่าพันกว่าปี แต่ถือพระเจ้าสาสังกาแห่งแฝงเบนกอนผู้เป็นมิจฉาทิทฐิส่งประกาศค่วมเป็นอิสระภาพบบขืนต่อพระเจ้าองมกคตคือเกา่าได้ยกทับมายำหนีบีทาไปทำลายเมืองจับพระเจ้ามกข์ขาปงพระชนหลังจากนั้นพระองค์พระเจ้าสาสังกาก็ได้ปกค้องแขวนมกข์ปกคลองประเทศอินเดีย เลวพระเจ้าสาสังการหนีเพิ่นนับถือศาสนาอื่นก็เลยได้ทําลายตนภาษีมหพโชนั่นซะโดยการสั่งแห่ทหารคุดหากถิ่มเลยบมเมนเอานํำห่อนลวักขมดาวาคุดหากถิ่ม่วหามีเหลือโดยเห็นว่าชาพุด ท, ทั้งหลายมั่วแต่เข้าหลบกาบไหวต้นใหม่สีมหพโชจนศาสนาอื่นอับเชา บอ่อภาคกันเข้าหลบเพราะเพิน่นถือสาตนาเอินทําให้เสื่อมร้มล่จนบะมีรองร้อยสเสืออยู่เลยสาตนาเอิน่นั่นพระองค์ได้สั่งให้ทหารคุดถิบจนมัดบมีเลือต่อจากหันแล้วมีเชื่อพระวงค์คนหนึ่งคือพระเจ้าอุาอรณาวอละมาในขณะ ที่พระเจ้าสาสังกาเขามายึดข้องนั้นได้ตีแหกฟ้าว่งล้อมออกไปอยู่ทั้งตอนเหนืออยู่ตีนผู้เขาหิมะไลเบาแล้วก็คือกันก็ประวัติพระเจ้าตากสินของข้องได้รวบรวมรีพ่นสะกลนไกไปตั้งลักใหม่แล้วก็ได้มัตีขึ้นพระเจ้าปุรณะวอละมาเนี่ยได้มัดปีพระเจ้าสาสังกา แห่งแขวนมะคดอีกเธอหนึง่งแล้วก็ได้ดแตะกระเจิงข่ายแผ่จับพระเจ้าสาสังกาเมื่อเขนขาถิงหลังจากนั้นแล้วพระเจ้ามะขดผู้เป็นสัมมาทิฏฐิผู้นับถือพุทธศาสนาได้มาเห็นแต่งเงานโผเหลือแต่โกนขี้ดินคถือตัดต้นโคนหา พระองค์ได้นอนเก่งเกือกห่องให้ลำพึ่งลำพันโอ้อยเหลือแต่ตดพ่พ่อได้ขาบได้ไหวบัดหนีตอกับบอยังเถืกอตัดต้นโคนห่างสาดุดหอนกันเม็นสาปตานาพุดของประสาท ต, ต ด, ดาสมณาโคดมสิยังคงมีมีอยู่ในหลกหนีให้ได้ขาบได้ไหวได้บูชาเป็นที่พึ่งแก่มูเทพวดา และซัดหลอกหมูมนุษย์ทั้งหลายขอให้สีมหาโพ่อเจ้าไดหงอกเงยกับเพื่อมาเอกในท้อนหากได้หากหนึ่งผู้ขาขอหมอกตายถวายชีวิตขันโพ่นีบ่บอเกอเขื่นกับคอตายฝังอยู่ในเงาโกโพ่นี่เด้อบนเงาพ่อหนึ่นงลนะทันที่ฐานไก่เอาน้ำนำมหมอกฮดหนันงนมงัวดนมโพ่แล้วพระ อ, องค์ก็นอนอยูงนำบันมุนโ ก, กลจกหลอก ต่อมาเอกบดนทต้นพน่ัดนก็ได้เกิดขึ้นโดยแห่งอธิษฐานของพระองค์ว่าคันต้นพ่อบ่เกิดขึ้นย่ำใดพูข่าบ่โน้มจากไปสิโน้มตายหยุดน้อมถวายชีวิตเพื่ออุทิศบูชาต่ตอตอนสีมหาโพ่ตลอดชัวล่ลมปัดต่อมาหนอสีมหาโพ่อก็งอกงามขึ้นอย่างหนาอัศจรรย์ จเจริญงอกงามพระองค์ดีใจเป็นหญิงไงแดกโก้กำแพงสามว้ยลั่งจากนั้นค ว, ว่วบทเทียงมองสิ่งทงั้งหลายพระเจ้าปุรณะว่อละหมาพอรอมทั้งพระสกนกรกระด่ดาย่่่่่าย่่่่ป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ อ, อ่ 1, 3, 000, 000. ่อ่ออ่ 2, 19, ่่ 200, ่่่่่่่่่่่่่ ตนสีมหาพ่กระไดถือผ้ายุผัดล่มล่งไปทางทิศตะวันตกของมหาวิหารทั้งนี้ได้ปรากฏตามหลักฐานบันเทกของนายพลหลอดขั้นหนึ่งแห่ชาวอังกฤษภูเชียวชาญทั้งโบลันนรับดีพอเหตุว่าในสไปนันอังกฤษได้พกห้องประเทศอินเดียแล้วปีพศ2409 ไม่พนห ล, ลอดขั้นหนึ่งแหม้มชาวอังกิตปูเชียวชาญทางโมรานคดีเด่พญิย่ามคนบริเวณนั้นอีกก็เลยเด่พ่อนอต้อนสีมหาโพเขินสองนอนอหนึ่งก็เลยนั่มไปปลูกไห้บนเกา่าบนตอ่อเกา่าพ่อซอสองพันสี่ล่อยยี่สิบสามและอีกต้นหนึ่งนัง้น ก็ได้เอาไปปลูกไว้ที่ประเทศลัางกาต้นเก่าที่ปลูกใหม่ที่เกิดมากอใหม่เมื่อพ่อซอสองพันีลอยยี่สิบสามนั่นก็เลยได้เป็นต้นหนีในปัจจุบันยืนย่นยาวมาจนหอดพ่อซอสองพันหาลอยสามสิบสอง่วมเหล่ว อ, อายุของตนพ่อจนหอดมืดได้ลอยเก่าปี พอแม่ไอต่องที่หักเพง่งตนโพ่อใหญ่ตนนั้นตั้งแต่ผอมประพุทธเจ้าเข้าเกิดเริ่มหลุกคุกข้างตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายอีกด้วยหักเกานอเดิมอันนั้นบัดนี้เป็นการเกิดเถื่อที่สี่น้องพ่อใหญ่ไม่ใหญ่นอ้องเถื่อที่หนึ่งนันเกิดมาพผอมพระพุทธเจา้า เธอที่สองนางมหิสุนทรีเอานำยาทิดเอานํ า, อานหอนลวกตายแล้วก็เกิดมาอีกด้วยแห้งอธิษฐานของพระเจ้าอาโศกเธอที่สามพระเจ้าสาสังกาได้โขนลงมคุถาพระเจา้าตุลณะพ่อลมาได้มานอนอธิษฐานเอาน้นํานมหดก็ได้เกิดขึ้นอีกเธอที่สี่พ่อส่อสองพันสี่ลอย ในสมัยรัฐบาลอังกฤษปกครองอินเดียเกิดผ้าหยุไงใหญ่พัดล่มล่องยางบม่มีสิ้นเหลือแหลกแล้วมัดอายุเ่าพันต้องวัดติเลียวเด้เมื่อเกิดเอกเป็นนออยู่ไกลไกบริเวณนั้นเองน้ำห่าง ก, ก็เลยเดินใหญ่เอามาปลูกบนเก่าเอกข้างๆพระวิหาร บาดนีการเกิดเธอที่สีของตอนสีมหาพ่ออายุหอดปีหนีในวันเพ็ญเดินหกืึ้นมนีร่วมแหล่าอายุร้อยเก่าปีเกิดเธอสีแต่ว่าหากเก่านอเดิมหลังจากนั้นลูกหลานของสีมหาพ่อรัฐบาลไท่สมัยจอมพ่นปอบีบุญสงครามเป็นจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไดไปอัญเชิญเอากิ่ง หน่อตอนของสีมหาโพธิ์พออ่อศสองพันสี่รอยแปดสิบหกเอามาหาต้นหากิ่งได้เอามาปลูกในประเทศไทยที่วัดพระศีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพอเมริกซ่องกิ่งเอาไว้วัดสีมหาธาตุเหลืออีกสามกิ่งเอามาปลูกผักอีสานทีถาดพนมของห้องต้นหนึ่งเอาไปปลูกผากใต่ที่นครสีธรรมราช ที่พระบรมธาตต้นหนึ่งเลี้ยก็เอาไปปลูกผากเนื้อที่พัะหาตดอยสเพกต้นหนึ่งร่วมเป็นหาต้นเมืองไทยเลยมีต้นศรีมหาโพ่อได้มาจากต้นนั้นบัดนี้เมื่อถึงสมัยจอมพลสลิดท่านลับคนภาคอีสานของเข้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยพันเอกปิ่นมุทุกันเป็นอธิปดี กรมการศาสนาพันเอกปิ่นของเข้าในกัคนณอำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีล้วนจะเป็นคนอีสานก็เลยได้นำเอาหน่อสีมหาโพธิ์มาปลูกเมื่อปีพศ2ส0 6พันเอกปิ่นมุตตกันผอมทั้งสมเด็จเทียนรญาน พลนเดเอาน่งใสเครื่องบินเมื่อปูกที่วัดบ้านชาดหน้าคู่คันเป็นบ้านเก่าเมืองแก่สิ่งนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเมืองเกา่าผู้แลนสางบ้านสาดหน้าคู่แถวเนี้ยจากสองพันหาลอยหกจนมาถึงสองพันหาลอยสามสิบสองมีสิบกว่าปีพ่อแม่อายน้องที่หักแพงมีสิบเจ็ดมีสิบแปดปีนอ ยปีต้นศรีมหาพ่อที่วัดบานชาิหน้าคู่อันเป็นนอหนึ่งมาจากศรีมหาพ่อเมืงเองอินเดียก็เลยจะเลื่อนงอกง่าขัวขาเตะเดินทุดงสอกซ้อนไปเมื่อปลายปีออกพรรษาปีที่แล้วสองพันหาร้อยสามสิบเอ็ดก็เลยไปผอ โวยอยากได้เด้ไปปลูกไว้ในวัดในว่าเหตุอยงไดเนาะสิได้เป็นเครื่องไม้เพราะว่าต้นสีมหาโพธิ์ตายเหล่ลาไร้เถือนมันยังได้เกิดมาอีกใครสากปตนะผุดของเข่าหล่มจมในประเทศนั้นเมื่อเกิดประเทศนี้เม็ดในอินเดียกันยังมาเจริญในเมืองไทยเดี๋ยนี่เมืองฝรัง่งกํำลังศึกษากําลังสิเจริจ่อนแต่ข่ายต้นโพธิ์ตายบนนี้เกิดขึ้นใดอีก ธรรมดาพลว่ใหม่เงหน่อยเดียนละดาบเป็นทันโล่หล่มเป็นค้อนควงทางระวังเดินเถินใหญ่ขวมไปไ้ายเรือหล่นจนคนเฮาหนับบกหวยได้แต่ความหลวขวบบะมีปีดเต่าวขึ้นสีมหาพ่อเฮาหล่มบะคือค้อนกลางไฮหล่มและลุกข้นได้แข็งข้นกลัวหลังโจ้ได้มาเกิดในเมืองไทยมือ น, นี้เป็นบุญเป็นวาสนา ลูกคาได้ไปเดินหาครูบาอาจารย์พระคู่สาละท ร, รมคุ้นตลอดทั้งพี่น้องเช่าบาา้านฉากหน้าคู่เพื่อนกระซอยหามื่อนั่นเพื่อนบอกว่าโอ้ยมันเป็นหมามันกระโบเกิดว่าสันลนลงกระโบเกิดเน็่จังใดสิใดแต่ว่าปีนี้เป็นบุญเป็นวาดนะหลังจากฝ่าต ก, กฝนลงจักหน่อยแนย่สีมหาพ่อเกิดนอนหน่อยคือมาปีลี่เงี้เงี้ยมพอออก ผู้สวยผู้ยาบานจากหน้าคู่โต ต, ต, ตั้งโตตีเพิ่นได้ไป พ, อพ่อพ่อคนหนั่งก็ได้บอกเราให้พระคู่ฟังมื่เลย่ผ้ากันเก็บปลูกไว้ในกระถางเขียนจนไม้มาบอกว่าสีมหาพ่อได้เลี้ยวไปสักด้วยดีใจปานได้แกวแวนเงินพ่อสร้างเขียนจนไม้มาท่านการเวลาวิสาขบูชากระเล่อได้เอามาปลูกเมือ่อหนไม่เวลายามเถี่ยง ตรงกําย่ามเกิดของตนโค่งามเกิดของพระพุทธเจ้าเมื่อสองพันหกรอยสิบสองปีผ่านมาเนื้อป่ า, าเป็นบุญเป็นวาาสนากตาธิการได้ห่วมสางหวมสำน้ำกันนอ้องพอเม่อไอน่องที่หักเพ่งไร้ตำบลไร้อำเภอลายจังหวัดแดกมาห่วมกันสู่ ตนศีมหาพ่ในวันวีสาขะอันเปรียบเสมือนวันเกิดของตนพ่และวันเกิดของพุทธเจ้าวันดับคันปริพญานวันตัดสุออนุตลาสัมมาสัมโพธิ ญ, ญาณค<อ>บวงจรแห่งการทาคุนเนงาความดีหรือวาศาสนาพระสมณะโคโดมของห้องสี่เจริญบันปลายเทือนหนึ่งไม่บนพื้นแผ่นดินผู้ม่ผากมีนุน่พร้อมกันหน่มือดี ข้าทั้งหลายกระไดมาบวชเนะขามาจารีเนะขามะจารี่นี่บอกกินขากินปลาอดทอนกันมีสิบสี่โมงยกหัวใจชีวิตวิ ญ, ญ่านบูชาพระพุทธเจ้าของเฮ้าโอ้ยเนาะข อ, อนซอนเลยจะเป็นใจสูงแก่ประเสริฐผู้เพลนมี่เงื่อนค่ำนั่นเพลนบูชาด้วยของหอมขัน้นระชาดด้วยเงื่อนด้วยทอง ทำบุญทำทานตักบาทหยาบหนามเครื่องอยู่ของกินของแสบของนัวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีขากว่งเงินกวั่งทองสิ่งนัง่นคือชีวิต จ, จิตใจเข้าคนอยากคนจนอีเมส ก, กัเลทุกตะปณกาละพูเตปฏิขันหันจุขอพระภูมิพระผาเจา บ, จ, บจงหลับเทืองสกัลละของทุกตะคนอยาให้มุนีคือการอดเขาบูชา บ่มีเงินมีทองเข่าป่าอาหารมาเลี้ยงเตื๋ยเพื่อมามักันก็นเลยมาบูชาของคนทุกคนเนี่ยตามภาษาหยาภาษาจนโยกชีวิตทั้งชีวิตบูชาคันสิดตายมือนีกันย่อมตายพดเขาถือสว่ามื่งเปิดแทฉกะว่ามีผู้ใดได้กินเอียงไม่นี่ก็เลยมีการบูชากันแบบแปลกๆเนาะพอใหญ่ใหญ่บางคอนอาจสิดสงสัยบอกเข่าใจ เป็นยังจังผ้ามาอดเขาเหมือกันซี่ที่บ่ตายบ่เมื่อพระพุทธเจ้าของเฮ้าที่สิ้นล่มปานจากโลกไปนั้นนี่เหตุเกิดขึ้นอย่างมหัศย์อันหนึ่ง ใต่วามหม่สาละส า, ล ะ, สาละบานโนทายานสมไมนั่นจนไม้สาละทั้งขูใได้ออกดอกบานสะพังหนอกละดูการดอกไม้เล่านั่นกระเดดลนโปรยปายลงมาสู่สลีละหลังกายของพระพุทธเจ้าห้องเพื่อบูชานอกจากนั้นก็ยังมีดอกม่น